สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีเสียวิบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่ห้าสิบสามเรื่องปัญญากับการสรงสร้า ง, งพระเจ้าในสุภาษิตบทที่แปดนะครับข้อที่ยี่สิบสองจนถึงข้อที่สามสิบเอ็ดสุภาษิตบทที่แปดข้อยี่สิบสองถึงสาสิบเอ็ดโปรดฟังพระเจนาของพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานกำเนิดแก่เราแล้วเมื่อพระองค์ทรงเริ่มงานของพระองค์คือเป็นสิ่งแรกในบรรดาพระราชกิจโบราณของพระองค์เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรมาแล้วตั้งแต่แรกก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลกเราถือกำเนิดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทรเมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมายก่อนการเนลมิดสร้างภูเขา ก่อนเนินเขาเราก็ถือกำเนิดมาแล้วก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกทั้งไรนาหรือก่อนผงคลีแรกของพิภพเมื่อพระองค์ทรงสถานาฟ้าสวรรค์เราอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรเมื่อกระทำฟ้าเบื้องบนให้มั่นไว้เมื่อพระองค์ทรงสถานา น้ำพุของน้ำบาดาลเมื่อพระองค์ทรงกําหนดเขตจํากัดให้แก่ทะเลเพื่อว่าน้ําจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปักถังรากฐานของพิภพเราอยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างในช่างเราเป็นความปิติยินดีประจําวันของพระองค์เปรมปรีอยู่ต่อพระพักพระองค์เสมอเปรมปรีในพิภพ ที่มีคนอาศัยของพระองค์และปิติยินดีในบุตรชายของมนุษย์พี่น้องครับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้ฟังยิ่งอ่านพรากัมพีนะครับก็จะได้รับพระพรยิ่งมากให้เรามาดูนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งภาษาไทยแปดนะบทที่แปดข้อยี่ิบสององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้กำเนิดเราเป็นสิ่งแรก ก่อนสิ่งอื่นที่พระองค์ทรงกระทํำ <c oughs> ก่อนบรรดาพระราชกิจของพระองค์ตั้งแต่ครั้งโบราณตั้งแต่โบราณการเราถูกสร้างขึ้นตั้งแต่โบราณการก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นเราถือกําเนิดตั้งแต่ยังไม่มีมหาสมุทรก่อนน้ําพุปุ่งขึ้นมาสู่ผิวโลกก่อนภูเขา และเนินเขาถูกสร้างขึ้นเราก็เกิดแล้วก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและท้องทุ่งก่อนผงทุรีใดๆของโลกเราอยู่ที่นั่นเมื่อพระองค์ทรงสารปนาฟ้าสวรรค์เมื่อพระองค์ทรงกาหนดเช่นขอบฟ้าบนพื้นผิวของมหาสมุทรเมื่อพระองค์ทรงวางตำแหน่งของเมฆเบื้องบนและทรงกาหนดตาน้ำแห่งห่วงบาดาลเมื่อพระองค์ทรงขีด พมแดนของทะเลเพื่อไม่ให้น้ำล้ำเขตตามพระบัญชาของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงปักผังวางฐานรากของโลกในตอนนั้นเราอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดเวลาเปรียมด้วยความปิติยินดีวันแล้ววันเลา่าชื่นชมยินดีอยู่ตอบหน้าพระองค์เสมอชื่นชมยินดีกับโลกที่พระองค์ ทรงสร้างและเปรมปรีในมนุษยชาติ <c oughs> พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าปัญญาอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างแต่ปัญญาเป็นผู้ที่ถูกสร้างในเช้าวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องปัญญากับการทรงสร้างนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับก็คือว่า สรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งฟ้าสวรรค์จั ก, กรวาลแผ่นดินโลกทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างครับเป็นครีเอเตอร์เราทั้งหลายในโลกนี้จั ก, กรวาลนี้เป็นครีเอชช์ครีเอเตอร์กับครีเอชช์ต่างกันนะครับในฐานะพระผู้สร้าง ในพระธรรมสุภาษิตนี้บทที่แปดนี้นะครับพระเจ้าทรงถือว่าปัญญานั้นสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญญาอยู่กับพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงสร้างและอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายปัญญามีอายุมากกว่าจักรวาลเราครับแต่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเมื่อพระองค์ทรงสร้างปัญญาแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยปราศจากปัญญาเลยแต่ปัญญาไม่ใช่พระเจ้านะครับเป็นของพระเจ้าตัางหากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นปัญญานั้นเราจะเห็นว่าสามารถเปรียบเทียบกับพระวาทะในพันธสัญญาใหม่แต่ตัวปัญญาเธอเองนั้นไม่ใช่พระวาฒะครับปัญญาอยู่ในพระวาทนแต่ตัวเธอเองไม่ใช่พระวาทะ ปัญญานั้นนำไปสู่ความยินดีเพราะว่าการทรงสร้างสรงพรพสิ่งก่อให้เกิดความยินดีความยินดีเกิดขึ้นกับใครครับความยินดีเกิดขึ้นกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างและสิ่งที่ถูกสร้างก็คือพวกเราพี่น้องครับมีคนแอบชื่นชมเรานะครับก็คือปัญญานั่นเองในพระองค์พี่บอกว่าชื่นชมกับโลกที่พระองค์ทรงสร้างและเปรมปรี่ยนในมนุษยชาติพี่น้องเห็นไหมครับ ในข้อที่ยี่สามสิบเอ็ดครับในข้อที่สามสิบเอ็ดปัญญานั้นอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดการมีความยินดีวันแล้ววันเล่าชื่นชมยินดีต่อพระพักพระองค์เสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญญานั้นดีใจชื่นชมยินดีเปรมปีกับพวกเราที่พระเจ้าทรงสร้างกับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างพี่น้องครับ พระเจ้าไม่ได้สร้างและทําสิ่งใดโดยปราศจากปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงสําคัญอย่างยิ่งใครก็ตามที่ได้ปัญญาก็เสมือนหนึ่งได้สิ่งที่มีคุณค่าสําคัญที่สุดในชีวิตและสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทรงสร้างของพระเจ้าพี่นะครับเราจะมาดูครับว่าปัญญานั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทรงสร้างอย่างไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วครับว่าประการแรกก็คือ การดำรงอยู่ของปัญญาก่อนการทรงสร้างเห็นไหมครับก่อนการทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ปัญญาได้ดำรงอยู่แต่ปัญญาถูกสร้างนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์อีกเวอร์ชันหนึ่งภาษาไทยเนี่ยผมจะเน้นคว่าก่อนก่อนก่อนก่อนเพราะว่าก่อนนั้นปรากฏอยู่ถึงหครั้งในฉบับภาษาอังกฤษชัดเจนมากครับผู้เขียน สุภาษิตธินี้กําลังนําเสนอความจริงที่เขาได้รับการเปิดเผยชําแดงจากพระเจ้าว่าปัญญานั้นอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนยู่ก่อนพระสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างฉะนั้นนักวิชาการบางคนนะครับก็คิดว่าปัญญานั้นน่าจะเป็นพระเยซูคริสปัญญานั้นเล็งถึงพระคริสแต่ในพระองค์พีตอนนี้ครับไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆเลยที่ว่าปัญญาหมายถึงพระคริสเพราะว่าปัญญานั้นถูกพระเจ้าสร้าง แต่พระคริสต์นั้นเป็นพระผู้สร้างพี่น้องครับพระเยซูของเรานั้นเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบนะครับโปรงทรงเป็นพระผู้สร้างโรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างสรงส ร, รพสิ่งใดๆทั้งสิ้นรวมถึงปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นแต่สร้างก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายก่อนการทรงสร้างจักรวาล พระเจ้าทรงชรารับนาปัญญาไว้ก่อนที่น้ำจะถูกแยกจากกันก่อนที่จะมีเมฆมีมหาสมุทรก่อนแผ่นดินจะแห้งก่อนแผ่นดินจะถือกำเนิดขึ้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับเห็นภาพที่ว่าปัญญาได้ถือกำเนิดเรียบร้อยแล้วก่อนการสร้างสรงสรพสิ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สาคัญนะครับการดารงอยู่ของปัญญาก่อนการทรงสร้างก่อนการทรงสร้างสรงสรพสริงส่งทั้งหลายแต่ ปัญญาถูกสร้างครับประการที่สองครับก็คือว่างานของปัญญาในการทรงสร้างในข้อที่ยี่สิบเจดจนถึงข้อที่สามสิบเอ็ดนั้นเราพบว่าปัญญาอยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรงสรพสิ่งปัญญาอยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้าทรงสาปนาฟ้าสวรรค์แสดงว่าปัญญาอยู่ก่อนแล้วนะครับตามในข้อที่หนึ่งเมื่อพระองค์ทรงแยกน้ําสร้างเมฆและมหาสมุทรในวันที่สองในวันที่สามนั้นพระเจ้า ก็สร้างแผ่นดินแหงให้เกิดขึ้นและพระมพทีสุภาษิตบทที่แปดนี้ได้เขียนว่าปัญญานั้นเป็นดั่งในช่างที่อยู่เคียงข้างพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคือการเ e r s o n i f y ฟ e r s o n i f y นะครับทำให้ปัญญานั้นเสมือนกับเป็นผู้ช่วยพระเจ้าในการสร้างการทำาพอร์เซนิฟนี่คือการให้นามธรรมเป็นรูปธรรมให้ปัญญานั้นเป็นตัวบุคคลนี่คือพนาณาโวหาร วรรณกรรมฮีบรูการอยู่เคียงข้างพระองค์นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งครับแต่ปัญญาไม่ใช่ผู้ออกแบบพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ออกแบบและนี่คือความแตกต่างระหว่างพระผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างสรรพสิ่งที่ถูกสร้างนะครับจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมกา ร, รบัญชาของผู้ถูกสร้างของผู้ทรงสร้างครับและอยู่ภายใต้น้ำมันแทนเปี่ยมด้วยความประเสริฐของพระองค์ผู้ทรงสร้างนะครับ ผู้ทรงสร้างเรานั้นมีความปรารถนาดีพระเจ้านั้นมีความปรารถนาและน้ำพระทัยที่ดีและประเสริฐต่อพวกเราทั้งหลายนะครับสรุปในเช้าวันนี้นะครับเพชรจะเปล่งประกายเจดิดจรัสได้อยู่ที่ผู้เจรไในเพชรจะเปล่งประกายเจดิดจรัสได้อยู่ที่ผู้เจรนินเราจะขึ้นมาถึงการเปล่งศักยภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุดได้เราต้องมีผู้ที่สร้างเราเจีริญในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราไว้วางใจ วางชีวิตของเราไว้อย่างมีปัญญาที่จะรับการเสริมสร้างสรรสร้างโดยพระผู้สร้างของเราให้เราวางใจวางชีวิตของเราอย่างผู้มีปัญญาเพื่อที่จะรับการสรรสร้างการทรงสร้างโดยพระผู้สร้างของเราอาเมน